จเจริญพรท่านสาธุชนพุทธบวรสัตว์อุบาสกอุบาสิกาผู้ใฝ่ธรรมทุกท่านวันนี้เป็นวันที่สิบพฤศจิกายนพุทธศักราช2552งตรงกับวันแรง8ปดค่ำเดือน12เป็นวันพระเป็นวันธรรมวนาเป็นวันฝังธรรม เป็นวันที่ประเสริฐเพราะคําว่าพระแปลว่าประเสริฐการประเสริฐนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเป็นวันที่เท่านี้เท่านั้นแต่เป็นเพราะมีการกระทําที่ประเสริฐความประเสริฐนี้เป็นผลที่เกิดจากการกระทําที่ประเสริฐพุทธศาสนาสอนให้เรา ทำในสิ่งที่ประเสริฐแล้วเราก็จะได้รับผลที่ประเสริฐเพราะไม่มีทางอื่นที่จะทำให้เราประเสริฐได้เราไม่สามารถขอความประเสริฐจากผู้ประเสริฐเช่นพระพุทธเจา้าเช่นพระอริยสงสาวกทั้งหลายได้ความประเสริฐของท่านนั้นท่านมอบให้กับเราไม่ได้ ไม่เหมือนของฝไม่เหมือนของขวัญที่เราสามารถจะมอบให้แก่กันได้แต่ความประเสริฐหรือความดีนี้ต้องเกิดจากการกระทําเท่านั้นศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่สอนให้ทําไม่ได้สอนให้ขอเช่นเวลากราบพระจุดธูปเทียนแล้วก็ขอสิ่งนั้นสิ่งนี้ ขอไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเพราะมันไม่มีผลที่จะตามมานั่นเองผลนั้นต้องเกิดจากการกระทำของเราถ้าจะขอก็ขอให้เราขอที่เหตุคือขอให้ได้ทำความดีขอให้ได้ละบาปขอให้ได้ชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์กำจัดความโลภความโกรธความหลง ให้หมดไปจากจิตจากใจขออย่างนี้ขอได้เพราะขอแล้วเราจะได้ทำเช่นเราขอให้ทำความดีเราก็ทำความดีกันขอให้ละ บ, บาปเราก็มารักษาศีลกันขอให้กำจัดความโลภความโกรธความหลงเราก็มานั่งสมาธิมาฟังเทศน์ฟังธรรมกันนี่คือขอเหล่านี้ขอเล้ได้แน่แน่เพราะ ขอที่การกระทำนั่นเองแต่ถ้าจะขอให้สิ่งนั้นเป็นอย่างนี้ขอให้ได้อย่างนั้นขอให้ได้อย่างนี้นั้นมันก็ขึ้นอยู่กับว่ามันอยู่ในวิสัยที่จะได้หรือเปล่าถ้าไม่อยู่ในวิสัยมันก็ไม่ได้ถ้ามันอยู่ในวิสัยก็ได้เช่นขอให้ได้บ้านสักหลังหนึ่งถ้ามีเงินซื้อก็ได้บ้าน แต่ถ้าไม่มีเงินซื้อต่อให้ขออย่างไรก็ไม่ได้ถ้าอยากจะได้บ้านก็ต้องไปหาเงินมาไปทำงานทำการทำมาหากินเก็บเงิ น, เ ก, เ, งนเก็บทองเอาไว้เมื่อถึงเวลาก็จะได้บ้านมาเองนี่คือเรื่องหลักของกรรคือการกระทำศา ส, สนาสอนที่การกระทำ ส่วนผลนั้นมันมาเองมันเป็นเหมือนเงาต่างตัวเราไม่ต้องไปบีบเ้นบังคับผลไม่ต้องไปขอให้ผลตามมาถ้ามีเหตุแล้วผลจะตามมาเองเช่นถ้าเราปลูกต้นไม้ปลูกผ ล, ลไมล้ปลูกพุธกต้นผลไม้ไม่นานพอต้นไม้โตแล้วก็จะออกดอกออกผลให้เราเอง ถ้าเราไม่ปลูกต้นไม้ต่อให้เราขอผ ล, ลไม้มันก็จะไม่มาเพราะมันไม่อยู่ในวิสัยนี่คือเรื่องของศาสนาพุทธอยู่ตรงนี้เป็นศาสนาธรรมคือไม่ใช่ศาสนาขอทุกอย่างนี้ต้องทำเองพระพุทธเจ้าพระอริยสงสารพเป็นเพลงผู้สอนเรา ให้รู้ว่าเราต้องทำอะไรกันบ้างเมื่อเรารู้แล้วถ้าเราทำต่อไปเราก็จะได้สิ่งที่เราปรารถนากันไม่ว่าจะเป็นความเจริญทางโลกก็ดีหรือความเจริญทางธรรมก็ดีก็เกิดขึ้นจากการกระทำของเราถ้าอยากจะเจริญทางโลกอยากจะร่ำจากจะจรวยก็ต้องมีความรู้ จะมีความรู้ก็ต้องศึกษาเล่าเรียนเรียนหนังสือไปโรงเรียนแลือศึกษาจากผู้ที่มีความรู้ศึกษาให้มากเมื่อมีความรู้แล้วก็จะสามารถนำความรู้นี้ไปทำมาหากินได้ไปหางานการทำได้เมื่อได้งานแล้วก็ต้องมีความกยันหมั่นเพียรไม่ขี้เกียจ ต้องขยันต้องทำงานอย่างเต็มที่เป็นเวลาเมื่อได้เงินเดือนมาแล้วก็ต้องรู้จักเก็บไว้ไม่เอาไปใช้แบบสุรุ่ยสุรา่ายไม่เอาไปใช้แบบพุ่มเฟย mm hmm. เก็บเงินเก็บทองไว้แล้วก็เอาเงินทองที่เก็บนี้มาลงทุนมามามาสร้าง ผลประโยชน์ต่ออีกทีถ้าทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่นานก็จะร่ำรวยขึ้นมาได้เป็นมาหาเศรษฐีได้พอร่ำรวยแล้วอยากจะมีเกียรติยศก็เอาเงินที่เรามีอยู่นี้มาทำบุญให้ทานมาช่วยเหลือผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากไม่ว่าจะเป็นทางวัดวาอารามก็ดีทางโรงพยาบาลก็ดีทางโรงเรียนก็ดี ลอยจากทรัพย์ช่วยเหลือเพื่อเป็นการกุศลไม่นานก็จะได้รับการยกย่องได้รับเหลียตราได้รับแต่งตั้งให้เป็นคุณหญิงเป็นคุณนายเพราะเกิดจากการกระทำความดีของเราที่ต่างหากคือคือผลที่เราจะได้รับต้องเกิดจากการกระทำของเราเท่านั้นถ้าเรามัวแต่ ไหว้พระแล้วก็ขอนั่นขอนี้แต่เราไม่สนใจที่จะไปเรายาเรียนหาความรู้ไม่สนใจที่จะทำงานทำการด้วยความปหยันหมั่นเพียรไม่สนใจที่จะเก็บเงินเก็บทองไม่สนใจที่จะทำบุญทำสาธารณประโยชน์ความสุขความเจริญทางโลกก็จะไม่เกิดขึ้นมาถ้าเราศึกษาดู คนที่เขาประสบความสำเร็จทางโลกเริ่มรวยเป็นมาหาเศรษฐีแล้วก็มีคนยกย่องนับหน้าถือตาก็เพราะเขาทำอย่างที่ได้พูดไว้เขาหาความรู้เมื่อหาความรู้แล้วเขาก็เอาความรู้นี่มาทำประโยชน์ด้วยการทำมาหากินทำงานทำการด้วยความขยันหมั่นเพียร เมื่อได้รับเงินได้รับทองมาก็เก็บเอาไว้ไม่ใช้อย่างสุรุ่ยสุรา่าใช้เท่าที่จำเป็นส่วนที่ไม่จำเป็นก็ไม่เอาไปใช้เอาเงินที่ได้มานี้มาลงทุนต่อมาขยายผลต่อก็จะได้ได้เงินได้ทอง้ามามากมายเมื่อมีมากแล้วเขาก็แบ่งปันให้แก่ผู้อื่น บ่อยจากให้แก่โรงเรียนโรงพยาบาลสถา น, านการกุศลต่างๆเขาก็ได้รับเกียรติยศได้รับการยกย่องทุกคนเราเกิดมาก็เกิดมาตัวเปล่าๆด้วยกันทั้งนั้นไม่มีใครไม่มีใครได้เอาอะไรติดตัวมา <c oughs> นอกจากบุญกุศลถ้ามีบุญก็ได้มาเกิดในครอบครัวที่ดีมี มีฐานะที่ดีก็ไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องเริ่มต้นจากศูนย์เริ่มต้นจากล้านสองล้านหรือสิบล้านไปเลยแต่ก็ไม่สำคัญอะไรถ้าเรามีความใฝ่รู้ใฝ่ศึกษาเรามีความขยันถึงแม้เราจะมาเกิดในบ้านของคนจนเราก็ยังสามารถที่จะไต่เต้าขึ้นไปได้เริ่มจากศูนย์ได้ เราก็ไปเรียนหนังสือได้เรียนเก่งเราก็จะได้ทุนเรียนต่อเมื่อจบมาก็จะได้งานดีๆทําเมื่อเรามีความกระยันเราทาไปเก็บเงินไปต่อไปเราก็รวยได้แต่ถ้ามีบุญเก่ามาสนับสนุน <c oughs> ก็จะทําให้ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นเร็วขึ้นนี่คือ เรื่องของผลต่างๆที่พวกเราทุกคนปรารถนากันพวกเราทุกคนต้องการเจริญในลาภในยศในสารเสริญในความสุขกันในความสุขทางตาหูจมูกรินกายกันสิ่งเหล่า น, นี้เกิดขึ้นได้เพราะสิ่งเหล่า น, นี้เป็นผลเราต้องศึกษาเหตุว่าเหตุที่ทำให้สิ่งเหล่า น, นี้เกิดขึ้นมานั้นเกิดมาได้อย่างไรเหมือนชาวนาชาวไร่ ถ้าต้องการพืชผลเขาก็ต้องศึกษาดูว่าจะต้องปลูกพืชชนิดใดจะต้องใช้ปุ๋ยชนิดใดจะต้องดูแลอย่างไรถ้าเขารู้จักวิธีพอเขาปลูกต้นไม้ไปไม่นานเขาก็จะได้ผลที่เขาต้องการมาไม่มีอะไรในโลกนี้ที่มามาด้วยด้วยการขอยกเว้นมาด้วยผลบุญเก่าที่เราเคยทำไว้ ถ้าเราเคยทําบุญไว้มากในอดีตเวลาที่เราต้องการอะไรบางเวลาเราก็ไม่ต้องไปหามาก็ได้อยู่ดีๆก็มีคนหามาให้นี่เป็นอนิสงหรือเป็นอำนาจของบุญที่เราทําไว้แต่ถ้าเราไม่ได้ทําบุญแล้วต่อให้เราขอไปแทบเป็นแทบตายเราก็จะไม่ได้อะไรจะได้แต่ความผิดหวังอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นเราจึงอย่าไปหวังพึ่งผู้อื่นอย่าไปหวังขอสิ่งนั้นขอสิ่งนี้จากคนนั้นจากคนนี้จากสิ่งนั้นจากสิ่งนี้ขอให้เราพึ่งตัวเราเองขอให้เรามีอัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนพึ่งด้วยการกระทำของเราพึ่งด้วยการกระทำความดีต่างๆอย่างที่ได้ได้พูดมานี้ แล้วไม่ว่าอะไรก็ตามที่เราปรารถนาก็จะต้องได้ด้วยกันทุกคนพระพุทธเจ้าก็ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ต้องพุ่มตนเองต้องบำเพ็ญบุญบารมีอยู่ถึงสิประการด้วยกันหลายภพหลายชาติด้วยกันกว่าจะได้มาตัสรุเป็นพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าภาษาวกทั้งหลายก็เช่นเดียวกัน ก็ต้องสร้างบุญสร้างบา ร, รมีมาด้วยกันเม <sauc. S 1> ื่อสร้างแล้ว <c oughs> พอถึงเวลาที่ผลบุญบา ร, รมีนี้จะออกดอกออกผลท่านก็บรรลุเป็นพระพุทธเจ้ากันเป็นพระอ า, ารามตาสาวกกันท่านไม่ได้บรรลุ <อ spezie. S 1> ด้วยการขอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย<อ>นี่คือความจริงดังนั้นขอให้พวกเราจงอย่าไป ฝันแบบลุลมๆแรงๆเลยขอสิ่งนั้นขอสิ่งนี้ถ้าขอแล้วได้มาก็ไม่ได้หมายความว่าเกิดจากการขอของเรามันเกิดจากเหตุที่มันพร้อมบริบูรณ์ที่จะเกิดขึ้นของที่จะเกิดนั้นเราไม่ต้องไปขอมันก็เกิดได้ขอหรือไม่ขอก็เกิดได้ถ้าของที่ไม่พร้อมที่จะปรากฏขึ้นมาขอให้ขออย่างไรหรือไม่ขอ ก็จะไม่ปรากฏขึ้นมาเช่นเดียวกันเพราะสิ่งต่างๆนี้เขาเกิดขึ้นมาได้ด้วยเหตุด้วยปัจจัยเช่นเดียวกันเช่นขอให้ฝนตกอย่างนี้ถ้ายังไม่ถึงเวลาที่ฝนจะตกต่อให้ขออย่างไรฝนก็จะไม่ตกแต่เมื่อถึงเวลาที่ฝนจะตกถึงแม้จะไม่ขอหรือขอไม่ให้ตกก็ไปห้ามฝนไม่ให้ตกไม่ได้เขามีเหตุมีปัจจัยของเขา ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมีเหตุมีปัจจัยด้วยกันทั้งนั้นไม่ได้มีอะไรที่เกิดขึ้นมาแบบลมๆแรงๆ แ, แบบแบบตางความขอจากของเราความคิดของเราอย่างนี้เป็นต้นมันไม่ทำให้สิ่งต่างๆเกิดขึ้นมาได้มันต้องเกิดจากการกระทำของเราดังนั้นเราจึงต้องหมั่นกระทำเหตุที่ดีเสมอ พยายามขวนขวายศึกษาหาความรู้อยู่ตลอดเวลาถึงแม้จะเรียนจบมาแล้วก็ไม่ควรที่จะปล่อยปาละเลยถ้าเรามีความรู้ทางโลกพอแล้วเราก็ควรจะหันมาศึกษาความรู้ทางธรรมบ้า ง, างเพราะความรู้ทางธรรมนี้มีคุณมีประโยชน์มากกว่าความรู้ทางโลกเป็นหลายล้านเท่าด้วยกัน เพราะความรู้ทางโลกนี้ไม่สามารถที่จะกำจัดความทุกข์ใจได้ไม่สามารถกำจัดภพชาติการเวียนว่ายตายเกิดได้ไม่สามารถทำจิตให้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ต้องเป็นความรู้ทางธรรมความรู้ทางโลกนั้นก็มีประโยชน์เฉพาะขณะที่มีชีวิตอยู่คือถ้ามีร่างกายอยู่ เราต้องการอะไรเราก็ยังใช้ความรู้นี่หามาได้แต่ถ้าตายไปแล้วใจของเราก็ยังต้องไปเกิดใหม่ต้องไปใช้บุญใช้กรรมใหม่ต่อไปแต่ถ้าเรามีความรู้ทางธรรมแล้วเราสามารถปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนได้เราก็สามารถหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้ หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้เมื่อร่างกายนี้ตายไปแล้วใจก็ไม่ต้องไปเกิดใหม่ใจไม่ต้องไปแก่ไปเจ็บไปตายไปทุกข์อีกใจก็จะอยู่ในพระนิาพานที่มีแต่ความสุขที่เรียกว่าปรานังสุขขังเป็นความสุขที่ไม่มีความทุกข์เจือปนอยู่เป็นความสุขที่ไม่มีวันเสื่อมคลายจะเป็นความสุขอย่างนี้ไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุด นี่คือความรู้ทางธรรมที่จะสามารถมอบความประเสริฐคือความสุขที่ประเสริฐที่สุดให้กับเราได้ความรู้ทางโลกหรือสมบัติทางโลกนี้ไม่สามารถซื้อความสุขแบบนี้ได้ไม่สามารถดับความทุกข์ที่มีอยู่ในใจได้ต่อให้เป็นพระเจ้าแผ่นดิ น, เ ป, นเป็นปรฒนาธิบดีเป็นนายกรัฐมนตรีหรือเป็นมหาเศรษฐีก็จะ ไม่สามารถดับความทุกข์ภายในใจได้ยังต้องมีความทุกข์อยู่เวลาแก่ก็จะมีความทุกข์เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะมีความทุกข์เวลาตายก็จะมีความทุกข์เวลาพลาดพาจากสิ่งที่รักก็มีความทุกข์เวลาสัมผัสกับสิ่งที่ไม่ปรารถนาก็มีความทุกข์แต่ผู้ที่มีความรู้ทางธรรมะเช่นพระพุทธเจ้า พระอรหันตสาวกทั้งหลายท่านไม่มีความทุกข์กับอะไรทั้งสิ้นความแก่ก็ไม่เป็นความทุกข์สำหรับท่านความเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่เป็นความทุกข์สำหรับท่านความตายก็ไม่เป็นความทุกข์การพัดผากจากกันก็ไม่เป็นความทุกข์การประชิญกับสิ่งที่ไม่พึงปรานาก็ไม่เป็นความทุกข์เพราะใจของท่านมีความรู้ทางธรรมะคอยปกป้องคุ้มครองนั่นเอง ใจนี้ที่ทุกข์ก็เพราะขาดความรู้ของธรรมะเลยทำให้ใจนี้ไปคว้าความทุกข์เข้ามาเองความจริงถ้าใจอยู่เฉยๆไม่ไปคว้าความทุกข์เข้ามาใจก็จะไม่ทุกข์แต่ใจนี้ไม่มีปัญญาไม่มีธรรมะไม่รู้ว่าความทุกข์นี้เกิดจากความหลงของตนหลงว่าสิ่งนั้นดีสิ่งนี้ดี สิ่งนั้นสิ่งนี้จะให้ความสุขกับเราพอไปคว้าสิ่งนั้นสิ่งนี้มาก็เอาความทุกข์เข้ามาเพราะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันไม่เที่ยงแท้แน่นอนมันไม่อยู่ภายใต้การควบคุมบังคับของเราพอเราได้มาแล้วพอเขาเปลี่ยนไปจากสุขก็กลายเป็นทุกข์ไปเช่นเราคิดว่าคนนี้ดีพอเราเอาเขามาอยู่กับเรา พอเขาเปลี่ยนจากดีเป็นไม่ดีไปเราก็ทุกข์ใจหรือถ้าเขาดีแต่เขาตายจากเราไปเราก็เสียใจเราก็ทุกข์ใจเอี่เพราะว่าเราไปคว้าสิ่งต่างๆเข้ามาเองถ้าเราไม่คว้าแล้วเขาจะมาเขาจะไปเขาจะเป็นเขาจะตายจะไม่สร้างความทุกข์ให้กับเราเขาจะดีเขาจะชั่วจะไม่สร้างความทุกข์ให้กับเราเช่นคนที่เราไม่รู้จัก เขาจะดีจะชั่วอย่างไรเขาไม่สร้างความทุกข์ให้กับเราเขาจะเป็นเขาจะตายเขาไม่สร้างความทุกข์ให้กับเราแต่คนที่เราไปคว้ามาว่าเป็นของเรานี่แหละจะสร้างความทุกข์ให้กับเราเช่นเราเอาคนนี้มาเป็นสามีของเรามาเป็นภรรยาของเรามาเป็นลูกของเรามาเป็นพ่อของเราเป็นแม่ของเราเป็นพี่ของเราเป็นน้องของเราเป็นเพื่อนของเรา เป็นอาจารย์ของเราเป็นลูกศิษย์ของเราพอคว้าเขาเข้ามาเป็นของเราแล้วพอเขาเป็นอะไรไปเราก็จะทุกข์ใจขึ้นมาพอเขาตายเราก็ทุกข์ใจพอเขาไม่ดีเราก็ทุกข์ใจเสียใจแต่คนที่เราไม่ได้คว้าเข้ามาว่าเป็นของเราเขาเป็นอย่างไรเราก็ไม่ทุกข์ใจนี่คือความทุกข์ใจที่เกิดจากความหลง พอเรามีธรรมะมีคำสอนของพ่อปุทธเจ้าเราก็จะไม่คว้าสิ่งต่างๆเข้ามาถึงแม้ว่าเราจะเกี่ยวข้องกับเขาเราก็ต้องไม่ไปถือว่าเขาเป็นของเราถึงแม้เราจะมีพ่อมีแม่มีพี่มีน้องเราก็ต้องไม่ถือว่าเขาเป็นพ่อเป็นแม่ของเราที่แท้จริงเขาเป็นเพียงสมมติเท่านั้นเองเขาเป็นผู้ให้กำเนิดกับเราแล้วก็ มีฐานะว่าเป็นพ่อเป็นแม่แต่เขาก็เป็นเพียงร่างกายที่ต้องมีความแก่มีความเจ็บและมีความตายไปในที่สุดเราต้องมองตรงนี้ต้องมองว่าเขาเป็นเพียงร่างกายที่ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องจากเราไปถ้าเรามองอย่างนี้แล้วเราจะไม่ทุกข์เวลาเขาแก่เวลาเขาเจ็บเวลาเขาตายเพราะเราเราไม่หลง เราไม่ปฏิเสธความจริงอันนี้แต่ถ้าเราไม่มองพอเขาแก่เขาเจ็บเขาตายเราก็บอกว่าแก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายไม่ได้เพราะเขาเป็นพ่อเป็นแม่เราเป็นสามีเป็นภรรยาเราเป็นลูกเราแต่ความปรารถนาของเรานี้ไม่สามารถไปไปฝืนความจริงได้ไปหยุดความจริงได้เพราะร่างกายของคนทุกคนไม่ว่าจะเป็นของใครก็ตาม เมื่อเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายด้วยกันทั้งนั้นถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราก็ต้องพยายามสอนใจเราอยู่ตลอดเวลาอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราพิจารณาอยู่เสมอเสมอว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้เรามีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาล่วงพ้นความเจ็บไข้ได้ป่วยไปไม่ได้เรามีความตายเปไ็นธรรมดา ล่วงพ้นความตายไปไม่ได้เราต้องพัดพากจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงไปเป็นธรรมดาล่วงพ้นไปไม่ได้ถ้าเราคอยสอนใจเราอยู่เรื่อยๆแล้วใจเราจะเตรียมตัวเตรียมใจรับกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นเพราะใจไม่ได้เป็นไปกับสิ่งต่างๆใจไม่ได้เป็นร่างกายร่างกายเป็นอะไรใจไม่ได้เป็นไปด้วย ถ้าใจเข้าใจแล้วใจเตรียมตัวแล้วใจก็จะไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนอะไรแต่ถ้าใจไม่เตรียมตัวไม่สอนใจว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ใจไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราถ้าไม่สอนแล้วพอร่างกายเป็นอะไรก็จะตกใจเพราะใจไปยึดไปติดไปหลงว่าร่างกายนี้เป็นใจเป็นตัวเราเป็นของเรานั่นเองนี่คือการสร้างความรู้ทางธรรมนะ ที่มีคุณประโยชน์ยิ่งกว่าความรู้ทางโลกเพราะถ้าเรามีความรู้ทางธรรมะแล้วเราจะไม่ทุกข์กับอะไรเราจะอยู่อย่างนุ่มเย็นเป็นสุขไม่ว่าเราจะรวยหรือจะจนก็ไม่เป็นปัญหาอะไรเราจะอยู่คนเดียวหรือจะอยู่กันหลายคนก็ไม่เป็นปัญหาอะไรเราจะตายเราก็ไม่เป็นปัญหา เพราะใจรู้ว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราใจรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องบบไปไม่มีอะไรในโลกนี้ที่ใจสามารถที่จะรังเก็บเอาไว้เป็นของตนไปได้ตลอดใจจะต้องทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างไปเวลาร่างกายนี้ตายไปใจก็ต้องไปไปไปเกิดใหม่หรือไปพระนิพพานถ้าไปพระนิพพานก็ไม่ต้องไป เกิดใหม่ก็ไม่ต้องไปทุกข์ใหม่ไม่ต้องไปเจ็บไปแก่ไปเจ็บไปตายใหม่แต่ถ้ายังไม่ยังไปถึงพระนิพพานไม่ได้ยังต้องไปเกิดใหม่ก็ยังต้องไปทุกข์ใหม่เหมือนกับที่เรามาทุกข์ในวันนี้ในชาตินี้กันชาติก่อนเราก็ทุกข์มาแล้วชาติก่อนเราอาจจะมีสมบัติเข้าของเงินทองมากมายก่ยกองมีอะไรต่างๆมากมาย แต่พอเราตายจากชาติก่อนไปแล้วมาเกิดชาตินี้เราก็เอาอะไรติดตัวมาไม่ได้เลยมาได้แต่บุญกับบาปเท่านั้นที่เราพาติดตัวมาถ้าเรามีบุญพามาเราก็จะมาเกิดที่ดีมามีฐานะที่ดีมีความสุขมากกว่าความทุกข์ถ้าเรามาด้วยบาปเราก็จะมาเกิดในฐานะที่ไม่ดีแล้วก็มีความทุกข์มากกว่ามีความสุข นี่เป็นผลของบุญของบาปของการกระทำที่เราทาไว้ในอดีตชาติและชาตินี้บาปบุญที่เราทำไว้ก็จะส่งผลต่อไปเมื่อเราไปเกิดในชาติหน้าต่อไปนี่คือหลักกรรมไม่ว่าเราจะเชื่อหรือไม่ก็ตามจะมีพระพุทธเจ้ามาสั่งสอนหรือไม่ก็ตามถ้าเราทำแล้วเราก็ต้องรับผลทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นใครก็ตาม แม้แต่เดเราชานก็ยังต้องรับผลของกรรมของเถาเช่นเดียวกันไม่มีว่างไม่มีว่างเว้นดังนั้นถ้าเราอยากที่จะได้สิ่งที่เราปรารถนาคืออยากจะได้ความสุขได้ความเจริญอยากจะได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายเราก็ต้องมันทำความดีอยู่เสมอมันคิดดีพูดดีทำดี อย่างที่ท่านได้มากระทากันในวันนี้เป็นการกระทำความดีไม่ว่าจะเป็นการทำบุญให้ทานก็ดีรักษาศีลก็ดีฟังเทศน์ฟังธรรมก็ดีปฏิบัติธรรมก็ดีนั่งสมาธิสวดมนต์ไหว้พระหรือพิจารณาความแก่ความเจ็บความตายอยู่อย่างสม่เสมอก็ดีการกระทำเหล่านี้เป็นความดี ที่จะนำความสุขความเจริญมาให้แก่ชีวิตจิตใจของเราอย่างแน่นอนเพียงแต่ว่าเราต้องทำอย่างสม่าเสมอทำให้มากๆอย่าทำเพียงอาทิตย์ละครั้งท่านั้นยังไม่พอต้องทำมากๆถึงจะเห็นผลเหมือนกับกินข้าวถ้าเราเกิดมาแล้วเรากินข้าวอาทิตย์ละครั้งเดียวเราคงจะไม่เจริญเติบโ ต, ตมามาม า, มาถึงบัดนี้ได้ เราคงจะตายไปก่อนถ้ากินข้าวอาทิตย์ละครั้งเดียวฉะนั้นใดถ้าเราต้องการความเจริญทางจิตใจต้องการความเจริญทางความสุขต้องการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายเราก็ต้องทำความดีทุกลมหายใจเข้าออกไม่ใช่ทำแต่เฉพาะเวลานี้เท่านั้นเวลาอื่นเราก็ควรจะทำถึงแม้จะไม่ได้พูดไม่ได้ทําอะไรก็ขอให้เราคิดดีไว้ก็ยังดี คิดว่าจ ะ, จะไม่ทำบาปจะทำแต่ความดีคิดสอนใจอย่างนี้อ ย, อยู่เรื่อยแล้วคิดถึงความตายอยู่เรื่อยๆก็ถือว่าคิดดีเพราะเมื่อเราคิดดีแล้วเราก็จะพูดดีทำดีต่อไปแล้วเราก็จะได้ผลที่เราปรารถนากันจึงขอให้ท่านทั้งหลายจงหม่มาสร้างความประเสริฐให้แก่ชีวิตจิตใจของท่าน ทุกวันพระและวันอื่นวันพระนี้ที่มาก็เพราะว่าเราจะได้มาเติมเติมน้ำมันมาฟังเทศฟังธรรมเพื่อเราจะได้มีสติมีคติเตือนใจเราให้รู้ว่าเราต้องทำอะไรกับชีวิตของเราพอเราฟังแล้วเราก็นำมาไปปฏิบัติต่อไม่ใช่ว่าพอออกจากที่นี่ไปแล้วก็หยุดไม่ทำอีกต่อไปกับไปคิดทำบาปทำกรรม คิดแต่เรื่องที่ไม่ดีทั้งหลายถ้าอย่างนี้แล้วเราจะได้ความสุขความเจริญได้อย่างไรขอให้เราจำไว้เสมอว่าความสุขความเจริญเป็นผลที่เกิดจากเหตุคือการคิดดีพูดดีทำดีเท่านั้นจึงขอฝากเรื่องของการมาวัดเพื่อมาสร้างบุญสร้างกุศลเพื่อทำจิตใจให้ประเสริฐนี้ให้ท่านได้นำไปพิณิพิจารณา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 ทั้งนายทางโลกและนายทางธรรมโดยทั่วหน้าการเธอ